สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนี่คือรายการแสงเทียนเสียงธรรมดำเนินรายการโดยเพนสีอินทรทัตออกอากาศอยู่ทางสถานีวิทยุรอดอ m คลื่น747เริ่มตั้งแต่เวลา8นาิก10 5. นาทีถึง8นาฬก35นาทีวันจันทร์ถึงวันพฤหัสค่ะขอนำเสนอท่านผู้ฟังด้วยธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องมักลีผล โดยนักเขียนนิตยาสารกุลสตรีสุทธสาอ่อนคอมท่านที่สนใจต้องการนำเอ็มสาชุดมกลีผลนี้ไปฟังทบทวนหรือมอบเป็นของขวัญให้กับผู้ที่เคารพนับถือโปรดสั่งจองได้ที่คุณน้ำทิพย์ภูธนชัย 01-828-8298 หรือหาซื้อได้ที่ธรรมสภา 02-441-1535 หสห โอกาสนี้ขอเชิญติดตามรับฟังมกคีผลค่ะ